บทที่หนึ่งโลกหน้าโลกหน้ามีไหมหรือถ้ามีจะเป็นอย่างไรปัญหาเช่นนี้มักจะมีผู้ถามบรรดาครูอาจารย์ทางศาสนาของตะวันออกบ่อยครั้งที่สุดซึ่งท่านผู้ถูกถามก็มักจะอดประหลาดใจไม่ได้ว่าไม่น่าจะมีข้อสงสัยตืต้นๆเช่นนี้เพราะสำหรับท่านผู้เข้าถึงความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว การถามปัญหาเช่นนี้ก็คล้ายๆกับการถามว่าอีกฝากถนนนี้มีอะไรบ้างหรือเปล่าฉะนั้นผู้ต้องการอยากทราบก็น่านจะข้ามไปดูได้โดยไม่น่ า, นานจะถามให้เสียเวลาวิธีการสอนศาสนาของครูอาจารย์ทางตะวันตกเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้ครูอาจารย์ทางศาสนาของตะวันออกอดประหลาดใจไม่ได้ใเมื่อเห็นว่าวิธีการเหล่านั้น ใช้วิธีบังคับให้เชื่อซิเป็นส่วนมากอาจกล่าวได้ว่าครูอาจารย์ทางศาสนาของตะวันตกเป็นเสมือนหนึ่งคนตาบอดจุงคนตาบอดฉะนั้นเพราะไม่มีทางที่จะพิสูจน์คำสอนของตนได้เลยนอกจากว่าเมื่อได้รับการสั่งสอนมาอย่างไรก็สั่งสอนกันต่อไปอย่างนั้นเองแต่ในทางตะวันออกครูอาจารย์ทางศาสนาส่วนมาก มีความเจริญในทางจิตใจยอยู่ในขั้นสูงจนถึงขีดที่ท่านสามารถรู้ได้โดยตนเองว่าสภาวะของชีวิตหลังจากตายนั้นเป็นอย่างไรท่านเหล่านี้รู้ด้วยใจตนเองอย่างประจักษ์แจ้งว่าชีวิตและโลกหลังจากสภาพที่เราเรียกว่าความตายนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างแท้จริงเช่นเดียวกันกับชีวิตในโลกนี้เหมือนกันท่านได้เห็นและทราบความเป็นไปของสภาวะแห่งชีวิตหลังจากตาย เหมือนกับนักเดินเรือชาวตะวันตกที่เก่งๆย่อมรู้จักภูมิศาสตร์ของมหาสมุทรได้เป็นอย่างดีฉชนนั้นท่านรู้ว่าความสามารถที่จะทราบถึงภูมิศาสตร์ของโลกหน้านี้มีอยู่ในตัวคนทุกคนขอแต่เพียงว่าให้เขาสนใจอุทิศเวลาและเรี่ยวแรงเพื่อจะพัฒนาความสามารถแห่งวิญญาณของเขาให้ตื่นขึ้นมาเท่านั้นแต่การที่จะอธิบายถึงความจริงเกี่ยวกับโลกหน้า หรือชีวิตหลังจากความตายให้คนชาวตะ ว, วันตกเข้าใจนั้นก็ไม่ใช่ของง่ายที่เดียวและบ่อยครั้งก็น่าท้อใจเสียด้วยซ้าทั้งนี้เพราะชาวตะ ว, วันตกมีลักษณะาทางจิตใจหรือมีความนึกคิดไปคนละอย่างจึงยากที่จะคิดคล้อยตามหลักเกณฑ์และคำอธิบายของชาวตะ ว, วันออกได้ชาวตะ ว, วันตกต้องการจะหาข้อพิสูจน์แบบวิทยาศาสตร์ตะวันตกให้ได้ ก่อนที่จะยอมรับเชื่อหลักเกณฑ์อันเป็นมูลฐานใดๆเสก่อนซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เป็นอันหมดทางที่จะแนะนำสั่งสอนกันได้เพราะว่าในเรื่องอันเป็นภายในคือเกี่ยวกับจิตใจเช่นนี้ความจริงบางอย่างบุคคลต้องประสบเองจึงจะรู้และเข้าถึงได้นั่นนั่นคือวิธีพิสูจน์อย่างดีที่สุดส่วนการที่จะหาเหตุผลด้วยการโต้เถียงนั้นย่อมเป็นวิธีการที่ไม่สามารถ ที่จะทำให้เกิดความทราบซึ้งได้เท่ากับประสบการณ์ด้วยตนเองอย่างแน่นอนอันที่จริงก็น่าเห็นใจชาวตะวันตกอยู่เหมือนกันเพราะว่าเขาเหล่านั้นได้เคยประสบคำสอนที่มีอยู่ในภาคตะวันตกเป็นจํานวนมากมายหลายพันประการซึ่งเป็นการเดาหรือเก่งความจริงเท่านั้นเขาจึงพากันทึกทักเอาว่าคาสอนเหล่านั้นและคาสอนอื่นๆที่เกี่ยวกับโลกหน้าทั้งหมด ก็คงเป็นเรื่องที่ต้องบังคับให้รับเชื่อไว้หรือไม่ก็ต้องเป็นเรื่องที่เกิดจากการดาวเอาของบรรดาครูอาจารย์ทั้งหลายนั่นเองและเมื่อเป็นเช่นนี้จะเป็นคำสอนของตะวันตกหรือตะวันออกก็คงมีค่าเท่ากันเพราะว่าลงเป็นเรื่องเดาวเอาแล้วก็ไม่เห็นควรที่จะมีความน่าเชื่อต่างกันอย่างไรจุดประสงค์ ขอองงนนั้สืเล่มีด้วยเหตุดังกล่าวมาข้าพเจ้าจึงใครขอทำความเข้าใจกับท่านผู้อ่านเสียก่อนดังต่อไปนี้คือหนึ่งหนังสือเล่มนี้จะไม่สามารถหาข้อพิสูจน์ด้วยวัตถุหรือแบบวิทยาศาสตร์มาแสดงให้ท่านดูได้เลยคือไม่สามารถจะนำเอาโลกหน้ามาตั้งโชว์ให้เห็นการทั่วไปได้เพราะเรื่องเช่นนี้จะเป็นเหมือนกับว่า คนตาบอดมาแต่กําเนิดต้องการจะให้เราอธิบายหรือพิสูจน์ว่าสีแดงและสีอื่นๆนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรหรือไม่ก็คนหูหนวกต้องการที่เราอธิบายและพิสูจน์ให้เขาได้ยินจริงๆว่าเสียงดนตรีเป็นอย่างไรเช่นั้นในกรณีเช่นนี้ลองนึกดูก็ได้ว่าเราจะหาวิธีพิสูจน์ให้เขาเห็นจริงได้อย่างไร 2. ดังนั้นประโยชน์ของหนังสือเล่มนี้ก็ย่อมจะเป็นไปในทำนองที่ว่าเรากำลังฟังคนที่เคยไปท่องเที่ยวในดินแดนอันไกลแล้วกลับมาเล่าให้เราฟังเนือเรื่องเช่นนี้ท่านนักศึกษาทั้งหลายโปรดทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่าครูอาจารย์ทางตะ ว, วันออกเหล่านี้ต้องการให้สิทธิ์ของตนเชื่อตามไปอย่างงมงายเหมือนคนตาบอด เกี่ยวกับทุกอย่างทุกประการที่ครูอาจารย์ได้บอกให้เขาทราบตรงกันข้ามเราถือว่าให้ผู้ศึกษารับเชื่อเอาไว้เฉพาะสิ่งที่เขาได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นความจริงด้วยตนเองเพราะมีหลักอยู่ว่าตราบใดที่บุคคลยังพิสูจน์ความจริงอย่างใดด้วยประสบการณ์ของตนเองยังไม่ได้แล้วตราบนั้นความจริงอย่างนั้นๆก็จะยังเป็นความจริงอย่างแท้จริงสําหรับเขาไม่ได้ แต่ในขณะเดียวกันผู้ศึกษาก็ต้องทราบความจริงอีกข้อหนึ่งไว้ด้วยว่าตราบใดที่เขาเองยังไม่ได้พัฒนาจิตใจให้ขึ้นมาถึงระดับของความจริงนั้นๆเสียก่อนแล้วเขาก็จะยังเข้าถึงความจริงนั้นๆไม่ได้เลยเหมือนกันดังนั้นหนทางสายกลางสําหรับกรณีเช่นนี้ก็คือผู้ศึกษาควรรับฟังคําสั่งสอนของครูอาจารย์ไว้ในฐานะเป็นผู้ที่เคยเดินทางไปได้ไกลกว่าตน และถือว่าเป็นผู้ชี้ทางให้ครูอาจารย์เหล่านั้นย่อมกล่าวเป็นทำนองว่าเธอจงเดินไปตามทางนี้ในขณะที่เธอเดินไปเธอจะพบสิ่งต่างๆซึ่งฉันได้บอกให้เธอทราบไว้แล้วจงศึกษาเปรียบเทียบและไตร่ครวงดูและเธอจะรู้ได้เองเมื่อเธอก้าวหน้าไปถึงตอนใดเธอก็จะรู้และเข้าใจความจริงในตอนนั้นด้วยตนเองเช่นเดียวกับคนอื่น ที่ได้เดินทางไปถึงระยะนี้ก่อนเธอเหมือนกันเต่ถ้าเธอยังไปไม่ถึงจุดนั้นก็ลองคิดดูว่าเธอจะรับเชื่อไว้ก่อนดีหรือว่าจะไม่ยอมเชื่อเลยดีมีความจริงอยู่ว่าถ้ายังไม่ได้รู้เห็นจริงเธอจะไม่ยอมเชื่อเลยก็ได้แต่ถ้าเธอรู้จักรักษาตัวรอดเธอก็จะสามารถหาประโยชน์ได้จากคำแนะนา และประสบการณ์ของผู้ที่เคยไปถึงจุดนั้ น, น, นมาแล้วก่อนเธอทุกคนต้องพึ่งตนเองจากประสบการณ์ของตนเองในเวลาเดียวกันคนอื่นก็อาจจะให้ความช่วยเหลือได้โดยการชี้ทางที่ถูกต้องให้เมื่อเธอได้เดินคือศึกษาและปฏิบัติไปตามทางนั้นเรื่อยไปเธอก็จะพบร่องรอยและเครื่องหมายที่คนคนก่อนได้ทำไว้ให้เป็นที่สังเกตแก่ผู้ที่ตามมาข้างหลัง ผู้ที่มีปัญญารักษาตัวยอมถือเอาประโยชน์ได้จากเครื่องหมายบอกทางเหล่านี้เองและนี่คือความหมายที่ว่าเราไม่ต้องการที่เธอเชื่ออย่างงมงายแต่ให้มีเพียงความไว้ใจบ้างจนกว่าจะถึงเวลาที่เธอสามารถจะเข้าถึงความจริงขั้นสูงขึ้นไปด้วยตนเองส เมื่อได้ทราบมาแล้วว่าการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์โดยจึอเอาหลักการเรื่องรูปธปรรมเป็นเกณฑ์ไม่สามารถจะกระทําได้ในเรื่องอันเกี่ยวกับจิตใจซึ่งเป็นภายในเช่นนี้แล้วบางท่านอาจจะรู้สึกว่าคงจะหมดหนทางที่จะทําความเข้าใจกันได้เลยกระมังเรื่องนี้ขอชี้แจงรายละเอียดเป็นการเพิ่มเติมบ้างดังต่อไปนี้เรื่องของจิตใจก็ต้องมีการพิสูจน์กันทางจิตใจ และนำการพิสูจน์แบบวิทยาศาสตร์ไปใช้ย่อมไม่ได้เพราะเครื่องทดลองทางวิทยาศาสตร์มีความมุ่งหมายและประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับเรื่องวัตถุเท่านั้นสำหรับคนบางจาพวกการพิสูจน์ต่างๆไม่มีความจำเป็นอย่างใดเพราะจิตใจของเขาพร้อมที่จะเชื่ออยู่แล้วและสำหรับคนบางจาพวกการพิสูจน์ด้วยวิธีต่างแม้จะละเอียดลึกซึ้งเพียงใด ก็ไม่มีประโยชน์อีกเหมือนกันเพราะถึงอย่างไรอย่างไรเขาก็จะไม่ยอมเชื่ออย่างเด็ดขาดเนื่องจากจิตใจอยู่ในลักษณะบอดสําหรับเรื่องเช่นนี้สําหรับบุคคลใจบอดดังกล่าวมาแล้วก็ไม่ต้องการข้อพิสูจน์หรือเหตุผลใดๆเช่นกันแต่สําหรับผู้ที่มีจิตใจซื่อสัตย์พอสมควรเมื่อพิจารณาตามข้อความที่ได้บรรยายไว้ด้วยเหตุผล ย่อมได้รับความกระจ่างขึ้นบ้างไม่มากก็น้อยเราเราได้ใช้เหตุผลเป็นแนวทางตลอดเวลาอันที่จริงลําพังเหตุผลอย่างเดียวย่อมไม่สามารถจะทําให้เกิดความกระจ่างแจ้งหรือประสบการณ์โดยตรงขึ้นได้ก็จริงแต่ก็ย่อมเป็นเครื่องช่วยได้พอสมควรในข้อที่ว่าเหตุผลที่นํามาอ้างยิงดังต่อไปนี้อาจลงกันได้กับความจริงบางอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วและทําให้สามารถอธิบายปรากฏการณ์บางอย่าง ที่ยังไม่สามารถเข้าใจด้วยเหตุผลได้ด้วยด้วยวิธีนี้จึงอาจกล่าวได้ ว, ว่าการอธิบายด้วยเหตุผลยอมเป็นสะพานนำไปสู่การยอมรับความจริงบางอย่างซึ่งแต่เดิมท่านเคยคิดว่าไม่มีเหตุผลเลยนั้นได้บ้างและเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ทำให้มีช่องทางที่จะเกิดความรู้ความเข้าใจในความจริงซึ่งสูงขึ้นไปขึ้นไปได้เป็นลาดับและหนังสือเล่มนี้ จะมีประโยชน์ยิ่งขึ้นสำหรับบุคคลที่มีความซื่อตรงพอที่จะรับความจริงในลักษณะ น, นี้ได้ข้อที่สวิธีอ่านที่จะได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ก็คือท่านผู้ที่ยังไม่เชื่อโปรดอ่านตามไปเรื่อยๆโดยอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจลงไปอย่างเด็ดขาดเส้นในตอนแรกต่อจากนั้น ควรใช้ความคิดพิจารณาตามไปช้าๆหรือไม่ก็กลับไปอ่านอีกและพิจารณาอีกพร้อมกับถามตนเองว่าข้อความเช่นนี้มีเหตุผลไหมและมีทางพอที่จะเป็นไปได้ไหมอย่างน้อยก็ให้เป็นขั้นสมมติฐานที่ตั้งไว้เพื่อพิจารณาในขั้นต่อไปสำหรับเราๆท่านๆซึ่งในขณะนี้ยังมีภูมิปัญญาอยู่ในระดับนี้ ท่านผู้อ่านที่สามารถทำเช่นนี้ได้เป็นอย่างน้อยจะรู้สึกว่าเมื่อการล่วงไปข้อความที่บรรยายไว้ต่อไปนี้จะมีทางที่น่าจะเป็นไปได้มากขึ้นถ้ายิ่งได้อ่านซ้าอีกก็จะเห็นว่าความเข้าใจซึ่งแต่เดิมมีอยู่เลินรางจะค่อยๆปรกากฏแจ่มใสขึ้นทุกทีมีความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าสำหรับผู้ที่มีพื้นพอจะเข้าใจได้อยู่บ้างนั้นข้อความที่เป็นความจริง ที่เขาได้ยินได้ฟังมาแล้วครั้งหนึ่งจะเข้าไปฟังอยู่ในจิตใจและคล้ายๆกับว่าจะดังกล้องอยู่ในหูเสมอเสมอทำให้ต้องอดคิดถึงบ่อยๆไม่ได้อันที่จริงเรื่องนี้ก็มีเหตุผลอยู่อย่างหนึ่งเหมือนกันว่าภายในของเรานั้นมีจิตใจซึ่งเป็นธาตุรู้ประจำอยู่ตลอดเวลาท่านอาจจะปฏิเสธไม่ยอมรับรู้ในจิตสำนึกแต่เบื้องหลังในจิตไร้สานึกอันเป็นส่วนลึก ถ้ารู้นี้จะคอยกระซิบคอยเตือนอยู่ตลอดเวลาหลักความจริงที่ได้ยินได้ฟังแล้วในครั้งแรกนั้นจึงเป็นเสมือนพืชแห่งความจริงที่ได้หวานและฝังรากลงแล้วรอเวลาที่จะแตกหนอ่อผลิใบและออกดอกออกผลตามมาในเมื่อถึงเวลาอันสมควรของมันด้วยเหตุผลดังกล่าวมาการที่ผู้อ่านและผู้ศึกษาจะเข้าใจและรับเชื่อข้อความเหล่านี้ไว้ได้หรือไม่และเพียงไร จึงไม่เป็นเรื่องสําคัญนักเราทุกคนมีเวลาอยู่ข้างหน้าเราอีกนานแสนนานและทุกคนก็คงจะต้องเข้าถึงความจริงได้ช้าบ้างเร็วบ้างตามแต่อุปนิสัยสันดานการสอนให้ทราบความจริงไว้จึงเป็นเสมือนการหว่านพืชไว้เพื่อให้เจริญงอกงามขึ้นมาในวันข้างหน้านั่นเอง